มันเีเป็นวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2555วันนี้เป็นวันอาทิตย์และก็เป็นวันพระใหญ่เป็นวันเดือนห้าดับตามไม่จริงมันเป็นเดือนหดับนะแต่เราจะพูดว่าเดือนหดับก็ไม่สนิทใจเพราะวันวิสาขาบูชายังมาไม่ถึงถ้าพูดว่าหกดับ แต่ว่าวันวิสาขาบูชายังไม่มาเราจะว่าหดับไม่ได้และอันนี้เราต้องว่าห้าดับแต่ว่าเป็นเป็นหแรกนะหแรกเพราะปีนี้มันแปดสองโหงหที่สองจึงจะเป็นวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่ส่มิถุนาพุทธศักราช255ห้าราเดียวนี้เป็นพุทธภาอยู่ อีกวันพระหน้า15บาคข้าหน้าเนะี่ยขึ้น15บาคข้าหน้าเนะี่ยใช่ไหมเป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันเดือนหกหลังแต่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันหกก่อนปีนี้เป็นแปดสองหนวันนี้เป็นวันพระด้วยแล้วก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็เป็นวันบวชพระด้วยรู้สึกว่าสามอย่างเข้ามารวมกันบนนั้นเห็นศรัท ธ, ธาญาติโยมพี่น้องประชาชน รู้สึกว่ามากวันนี้และหลวงพ่อถือโอกาสนี้บอกประกาศให้แกคณะสัทยา ญ, ญาติโยมถึงวันนั้นอาจจะไม่ได้มาหรือไม่ได้ยินวันที่สเป็นวันวิสาขาบูชาพวกเราคงจะทำพิธีในวัดของเราเวียนพระทักศินรอบศาลาพุทธปฏิมาเป็นประธานและก็วันที่5ตอนเช้า พวกเราจะได้ไปร่วมกันถวายที่ดินที่พวกเรารวมกันบริจาคเงินมากบ้างน้อยบ้างบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินไว้ในพระพุทธ ศ, ศาสนาจากวัดของเราไปประมาณสักน่าจะ7หรือ8หรือ9ไม่น่าจะถึง10กิโลแต่นั่งรถไปประมาณ10นาทีนะจากนี้ไปทางออกไปทางบ้านนายูงนั้นนะ เป็นที่ดินของโยมสสจุรชาติท่านมีที่ดินหลายแห่งท่านก็บอกว่าท่านจะยกให้วัดท่านไม่ว่าขายนะท่านว่ายกให้วัดถ้าขายมันราคาถูกไปท่านว่านะแต่ตามไม่จริงสำหรับพวกเราแล้วก็ราคาขอบแพงพอสมควรราคาทั้ง8ดล้านนะ่ะเพราะฉนั้นคณะจัทตาญาิโยมหลายหมู่เหล่าก็ได้รวมกัน ซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้เพื่อให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาให้เป็นสมบัติของวัดป่านาคําน้อยของเราเนี่แหละหลวงพ่อไปดูคณะศรัทธาญาติโยมไปดูแล้วก็เห็นว่าเหมาะสมต่อไปภายภาคหน้าอาจจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสําหรับฝ่ายอุบาสิกาคือฝ่ายโยมผู้หญิงอาจจะเป็นสํานักชีเรียกว่าผู้มาปฏิบัติเนคขมปฏิบัติรักษาศิ๋นแปด อยู่ในที่ดินแปลงนั้นพอเนื้อที่ทั้งหมดมัน48ไร่ก็กว้างพอสมควรเป็นที่นนสอเดี๋ยวนี้กำลังเดินเรื่องให้เป็นโฉนดที่ดินให้มันถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองเีนี้พวกเราได้วางเงินได้ซื้อไปแล้วยังขาดอยูมนิดหน่อยไม่มากไม่นักใจพวกเราก็ได้รวมกันซื้อที่ แปลงนี้เป็นเงิน8ล้าน8ล้านบาทถ้าหากว่าเราซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราไม่ทําพิธีอะไรเลยเหมือนกับลูกหลานศรัทธาญาติโยมก็คงจะสงสัยเอ๊ะหลวงพ่ออินเนี่ยท่านซื้อดินแปลงนั้นน่ะท่านซื้อให้ใครเพื่อใครออกชื่อของใครใยิ่งหลวงพ่อตายไปแล้วกับลูกหลานก็ยิ่งสงสัยใหญ่อีกว่า ดินแปลงนี้เป็นของใครดินวัดเป็นชื่อของใครหลวงพ่อออกในนามของใครเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นจตุปใจัของวัดหรือว่าเป็นเจตุปะจัของพี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยมรวมกันเพราะนั้นหลวงพ่อน่าจะเปิดให้รับรู้รับทราบร่วมกันเพราะว่ามันเป็นที่ดินของพระพุทธศาสนา หลวงพ่อไม่ได้เอาให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือไม่ใช่ให้หลวงพ่อให้ถือว่าเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติของวัดป่านาคําน้อยเป็นวัดสาขาหรือว่าเป็นเครือข่ายหรือว่าเป็นดินของวัดป่านาคําน้อยเป็นสมบัติของกลางเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้ทําพิธีในวันที่5้านะณ้าราชกาญาติโยมลูกหลานทุกคนวันที่หเขาคงจะ ยกจากวัดเราเข้าไปทําพิธีที่นั่นไหวพระสวดมนต์แล้วกัพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารถวายจิตตุปัจจัไทรยธรรมก่อนที่จะทํานี่ยเงินมีการตักบาตรใส่บาตรถวายพระตหารพระสงฆ์จากนั้นเขาคงจะไม่มีอะไรคงจะมอบถวายกล่าวคำถวายที่ดินเพื่อให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาจากนั้นก็คงจะจบละ ก็คงไม่มีอะไรต่อไปภายภาคหน้าจัตไทยญาติโยมฝ่ายอุบาสิกาผู้ใดจะจะมารักษาศีลอุโบสถรักษาศีลแปดก็คงจะเป็นสำนักชีขึ้นมาตรงนั้นแห่งหนึ่งแต่ก็เป็นที่ดูแลของพระสงฆ์วัดป่านาคำน้อยของเราอย่างเก่านั่นแหละนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงพ่อได้ประกาศให้แก่คณะัทยญาติโยมทุกหมู่เา ว่าคำวัดที่ดินมันเป็นเรื่องที่ใหญ่ยกที่ดินมอบให้พระพุทธศาสนาเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ถ้าจะว่าอย่างนั้นไม่น่าจะผิดนะคณะชาติญาติโยมลูกหลานเพราะว่าผู้ใดก็้ตามได้ไปปฏิบัติธรรมในสำนักนั้นในภาวนาในสำนักนั้นจิตใจของคนนั้นได้เข้าสู่ความสงบจิตใจสงบ จิตใจเยือกเย็นจนได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมาในที่ดินแปลงนั้นฮะเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับผู้ที่ซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาที่ดินของเราคงเหมือนกันถวายที่ดินเสร็จแล้วก็สร้างเซนาสนะหรือว่าสร้างกุฏิที่พักของพระสงฆ์คณะสัตยาติโยมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้มานั่งศาลาหลังนี้ละ่ะ พวกเราสมัยนั้นก็ไม่ได้ออกทุนไม่ได้ออกเงินแต่คนที่ออกเงินออกทุนสมัยนั้นท่านก็ได้ทำบุญสร้างสลาหลังนี้ขึ้นมาพวกเราก็เลยมาบาเพ็ญกุศลด้มารักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ด้มาทำบุญทำทานผู้ที่เขาได้เสียสละทุนทรัพย์กําลังกายกําลังทรัพย์กาลังใจทุกอย่างเพื่อสร้างอาคารหลังนี้เมื่อพวกเรามาทาบุญ ทุกครั้งเราก็ต้องเขาก็ต้องมีส่วนได้รับบุญกุศลจากพวกเราไปด้วยเพรเห็นไรเพราะว่าเขาได้ทําเขาได้สร้างเสนาชนะหรือว่าทั้งสร้างที่พักพ า, าศัยให้แก่พวกเราได้มาทําบุญทําทานนี่แหละให้พวกเราคิด ก, กว้างที่เราจะทําบุญตรงไหนอย่างไรหรือว่าเราซื้อที่ดินก็ตามเราซื้อสร้างเสนาชนะเนี่ยที่พักของสงฆ์ก็ตามหรือว่าเราสร้าง โรงพยาบาลก็ตามหรือเราให้เครื่องมือแพทย์ด้วยทําสาธารณประโยชน์ให้เราอุทิศส่วนกุศลเป็นส่วนกลางอย่างนั้นนี่แหละเมื่อเราทําไปแล้วมันไม่ไปไหนล ะ, ะมันก็เข้าสู่จิตใจของพวกเราทุกๆ ท, ท่านเมื่อเราทําไปแล้วทําคุณงามความดีไปแล้วคุณงามความดีบุญกุศล ก, ก็จะไหลทะลักเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราใจของพวกเราก็จะได้รับความสงบพรมเย็นเป็นสุข นอกจากนั้นมากกว่านั้นเมื่อเราไปอยู่นสถานที่ใดเกิดในพบใดชาติใดบุญกุศลเหล่านี้ก็จะเกื้อกูลหนุนเนี่ยติดตามเราตลอดพออยู่ในใจของเราเมื่อคราวไหนตกทุกข์ใดยากหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเราก็ล้ำเลิศถึงบุญคุณที่พวกเราได้สังสมไว้ในอดีตบุญกุศลเหล่านั้นก็จะได้เข้ามา พาเลดเข้ามาช่วยเดินพาเลดเข้ามาช่วยดวงวิญญาณของพวกเราท่านทั้งหลายแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ทําบุญไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ไม่ได้สังสมคุณงามความดีเอาไว้บุญกุศลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเหมือนกับเราไม่ได้หาเงินไว้ในธนาคารอย่างนั้นนไม่ได้สะสมเงินไว้ในธนาคารเวลาทุกจนมา เราจะหาเงินเข้าไปเบิกธนาคารเราจะไปเบิกได้อย่างไรเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้หาเงินเอาไว้แต่ถ้าว่าเราหาเงินแล้วไปฝากไว้ในธนาคารในเมื่อคราวจาเป็นเราก็เข้าไปเบิกในธนาคารธนาคารก็มีเงินให้นี้ก็เหมือนกันใจของเราเป็นคลังหรือเป็นธนาคารอยู่ในนั้นบุญกุศลก็เข้ามาสู่ที่นั่น ไม่ใช่จะเข้าแต่บุญกุศลนะมันบาปอากุศลก็เข้ามาเหมือนกันถ้าเราทำบาปสิ่งที่มันไม่ดีบาปอากุศลก็เข้ามาอยู่ในใจของพวกเราเหมือนกันคลายๆก็เป็นของปลอมแปลกปลอมอยู่ในนั้นน่ะจะทำให้กัดกร่อนจิตใจของเราให้ได้รับความทุกข์ยากลาบากเหมือนกับสนิมนะ่ะมันอยู่ในใจเหมือนกันความบริสุทธิ์ก็อยู่ในใจสนิมก็อยู่ในใจมันอยู่ทั้งสองอย่างใจของเรา เพราะนั้นเราจะกําจัดอะไนออกจะกําจัดสิ่งโสกปลกปฏิกูลออกจากใจพระพระเดจเจ้าว่าสิ่งปฏิกูลโสกปลกนั่นก็คือกิเลสราคะโทสะโลภโกรดหลงเนี่แตัวสําคัญกิเลสภายในใจจะทํายังไงจึงจะชะําระกิเลสสิ่งสกปรกเหล่านี้ออกจากใจได้มันก็ต้องมีน้ําสะอาดมันต้องมีเป็นบุญเป็นกุศลนี่แหละพวกเราสั่งสมบุญกุศลเข้าไปเรื่อยๆ พอบุญกุศลเข้าไปมากกิเลสมันก็ล่อยหลอออกไปเรื่อยๆหมดที่จะอยู่เพราะว่าน้ําสะอาดมันมากกว่าอ่านี่คงเหมือนกันนะถ้าหากว่าเราทําแต่ความชั่วทุกวี่ทุกวันคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วอยู่ตลอดคุณงามความดีก็หาที่อยู่ไม่ได้อีกเหมือนกันอน้ําสะอาดที่หมดมีแต่น้ําสกปลกเต็มอยู่ในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ ใคระจะเป็นคนคิดใครและเป็นคนทำอะพวกเรานอกจากพวกเราแล้ไม่มีใครคิดตัวของเราเองนั่นแหะให้ความสำคัญคิดดีทำดีพูดดีเนี่ยดูตลอดเวลาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจอยู่ตลอดเราก็มีแต่ความสงบร้มเย็นผาสุขแต่ถ้าว่าพวกเราทำสิ่งที่มันไม่ดีเมื่อทาลงไปแล้วความไม่ดีมันก็เข้าสู่จิตใจจากนั้นก็ให้ผลแลให้ผลในทางที่ไม่ดี อย่างพวกเราท่านทั้งหลายสมมติว่าเอา้าวันนี้ไปคดไปโกงไปฆ่าไปป้นคนอื่นเขาซะเราทำวันนี้แต่เมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยความไม่ดีนั่นแะมันจะให้ผลต่อไปวันพุ่งวันรุ่งขึ้นเราจะอยู่ลำบากวิ่งหนีคดีความหัวสุกหัวสุนเลยไม่รู้จะวิ่งไปที่ไหนออกนอกประเทศเขาอย่างตามไล่จับนะเพออะราะร ในหลักของพุทธศาสนาว่อสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันมีอย่าทำสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำเสเลดีกว่าให้ทำในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีอยู่ที่ไหนร่มเย็นเป็นสุขไปหมดแต่ทำสิ่งไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีแล้วนั่นแหละสิ่งที่มันไม่ดีจะให้ผลเราเป็นทุกข์หาที่อยู่ที่ซ่อนตัวไม่ได้ ไปอยู่เมืองนอกกันยังร้อนอยู่อย่างนั้นนะไอ้ไม่รูวยเขาจะโผลมาเมื่อไหร่นี่ยน่ะความช่วยจะทาเสช่เลยดีกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราคณะรัตย า, ญญาติโยมอย่างวันนี้ก็มาสั่งสมบุญกุศลมาทมําบุญทําทานแล้วก็มาบวชพระบวชพระไว้ในพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ผู้ที่เข้ามาบวชก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจัง ให้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะพระทุกวันนี้ก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้เห็นบางแห่งก็รู้สึกว่าในสิ่งที่ไม่เกิดไม่ควรจะเกิดมันก็เกิดขึ้นเพราะนั้นพวกเราได้ยินแล้วก็ไม่สบายใจบางคนบางคนได้ยินแล้วก็พานไม่อยากจะเข้าวัดเข้าวามพานไม่อยากจะทําบุญทําทานอีกต่างหากแต่ตามไม่จริงก็ไม่น่าจะถูกนะพวกเราต้องแยกแยะรู้จักแยกแยะ แต่ขนาดตัวของเราเองเราคิดดูซิแต่เราเกิดมานี่เราทำดีตลอดใช่ไหมเราพูดดีตลอดใช่ไหมเราคิดดีตลอดใช่ไหมทั้ทงคิดดีพูดดีทำดีตลอดมาใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันในเมื่อตัวเองก็ยังคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วเป็นบางครั้งคนที่เกิดมาในโลกนี้จะให้ดีอย่างที่เราอยากจะให้ดีได้อย่างไร พระสงฆ์ก็เหมือนกันบางองค์ก็เลวบางองค์ก็ดีแต่เรารู้จักเลือกการครบค้าสมาคมและเราเลือกอย่างตัวของเราเราก็เลือกเอ้ยในช่วงนั้นะเราจะมาคิดชั่วอย่างนั้นเราจะไม่จึงทําอย่างนั้นเราจะไม่จึงพูดอย่างนั้นเออเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะแล้วเราก็พยายามปรับปรุงกายใจของเราเราจะไม่ทําอีกในสิ่งเหล่านั้นอันนี้คือตัวของเรา แต่คนอื่น่ะออไม่ว่าจะพระสงฆ์ข้าราชการทุกหมู่ทุกเหล่าทุกคนนั่ะอันนี้ยกตัวอย่างตัวของเราอย่างที่วานนะขนาดตัวของเรามันเห็นแท้ๆเนี่ยมันทําไมจังห้ามตัวเองไม่อยู่ในการคิดในการพูดในการทำํำเพราะนั้นผู้อื่นมันก็ต้องเป็นไปได้ทั้งหมดแต่ถึงยังไงเราก็จะไปคิดในสิ่งที่เป็นอ ก, กุศลคิดในสิ่งที่เป็นกุศล พระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติปฏิบัติชอบท่านปฏิบัติตั้งอง์ตั้งใจประพฤติปฏิบัติภาวนานะ่ยมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีตรงองค์ที่ออกนอกลูกนอกทางก็มีไม่ใช่ไม่มีในครั้งพระพุทธเจ้าก็ยังมีที่หลวงพ่อได้พูดว่าถ้าว่าเราครบกับบัณฑิตนักปราชญ์เราพบกับพระ ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็ไปสู่ความสุขความเจริญไปสู่สวรรค์นิพพานได้เราทําไมจึงจะรู้ว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยนี่เราก็ต้องใช้ปัญญาต้องเอาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกเงาแล้วก็นำธรรมคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเป็น บรรทัดฐานมาเป็นกระจกเงาจากนั้นเราก็เออเนี่ยท่านปฏิบัติดีอย่างนี้แต่บางองค์ดูแล้วทําท่านพูดท่านคิดอะไรอันนั้นเราก็นํามาพิจารณาอีกทีเดียวงี้ท่านอาจจะเป็นนิสัยของท่านอุปนิสัยของท่านคือมันละยากแต่ท่านก็ไม่ได้ผิดหลักทำวินัยอะไรมากมายแต่กิริยามารยาทของท่านนั้นอาจจออกผิดออกนอกรูนอกทางบ้างแต่ก็ไม่ผิด ตามหลักธรรมที่ไหนที่เราได้ศึกษามาอันนี้เราก็ต้องแยกแยะอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ถูกใจเราเราก็จะดูถูกเกียรติยามท่านอย่างนั้นไปเลยเพระก็ไม่ถูกอย่างที่พระสงฆ์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลพระโมกษ์พระสารีบุตรเนี่ยท่านเดินไปที่ไหนถ้าเห็นขอนไม้เนี่ยท่านกระโดดเนีกระโดดขึ้นขอนไม้ถ้าเห็นคลองถ้ากระโดดข้ามคลองเนีเหมือนกับไม่สมกับเป็นพระ อัครสาวกไม่สมกับท่านเป็นพระอรหันต์ไม่สมควรไม่เหมาะสมที่ท่านเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ท่านจะกระทําอย่างนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเห็นอกับกิริยาอย่างนั้นก็ไปกราบทูลพระพุทธยาวว่าพระทำเสนาบดีสารีบุตรนี่ทำอกับกิริยาอย่างไรเหมือนครับเอดูไม่ได้ไม่น่าไม่น่าเลื่อมใส พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าสาริบุตรพระสารีบุตรเคยเป็นลิงมาถึงห้าร้อยชาติเพราะนั้นนิสัยลิงเนี่ยนิสัยสัตว์กระโดดโล ด, ดเต้นมันมีอยู่เออมันแก้มันละได้ยากนี่แหละสิ่งเหล่านี้ครูบาอาจารย์บางองค์เราก็ต้องเปรียบเทียบอย่างเนี่ยนะถ้าผู้ได้ศึกษาถ้าได้ปฏิบัติหรือว่าได้ศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะเนี่ยออกมาเป็นกระจกเงา เออบอกว่าเราคงมองว่าเออท่านอาจจะมีนิสัยของท่านนี่มันละยากนิสัยวาสนาเนี่ยแต่ว่าบางองค์ถ้าองค์ปฏิบัติมีความคิดเห็นปิดมิจฉาทิฐิเนี่ยเออถ้าว่าเราครบค้าสมาคมเราต้องเลือกอีกถ้าพูดออกไปมีแต่ไปในทางมิจฉาทิฏฐิในทางที่ไม่ถูกต้องอันนั้นเราต้องพยายามดูเพราะเหตุใดทั้งนี้ทางนั้นหลวงพ่อไม่ได้ บอกว่าองค์นั้นไม่ดีองค์นี้ไม่ดีไม่ใช่เราต้องรู้จักเลือกอ ย, อย่างพระเทวทัตเนี่ยกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้นพระเทวทัตท่านก็เป็นพระเหมือนกันเป็นลูกกรรษัตริย์เหมือนกันเป็นพระลูกพี่ลูกน้องของพระพุทธเจ้าอีกต่างหากแต่ทําไมท้าวคบกับพระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรพระอรหันต์เนี่ยมีแต่เข้าสู่สวรรค์นิพพานทั้งหมดแต่ไปครบกับพระเทวทัตเนี่ยลงเอเวจีเป็นขบวนเลย เพราะเหตุไรเพราะเป็นมิจฉาทิฐิความเห็นผิดนี่แหละความเห็นผิดและความเห็นถูกจุดนี้แหละถ้าเราเป็นพุทธศาสานิกช น, กนพุทธรบริษัทควรจะเลือกแล้วก็ควรจะศึกษาในหลักธรรมพอสมควรควรจะฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างทําคําสอนขององค์หลวงตามหาบัวอย่างเนี้นี่ที่ท่านเทศนาว้าการเราก็พยายามฟัง พยายามศึกษาจากนั้นก็เราพยายามอ่านดูในพระไตรปิฎกนะ่ยหรืออ่านดูในหลักธรรมคําสอนที่ท่านได้รู้แจง้งเห็นจริงอย่างประวัติของหลวงปู่ต่างๆที่พวกเราได้ศึกษาหลวงปู่ต่างๆคืออะไรองค์ไหนที่มรณภาพไปแล้วเนะี่ยอธิษฐานของท่านได้กลายเป็นพระธาตุอย่างที่หลวงพ่อได้พูด น, ะนี่แหละใจของท่านก็เป็นภูมิ บริสุทธิ์แล้วทำธรรมคำสอนของท่านก็บริสุทธิ์ไปตามทำคําสอนของท่านนะ่ะอันนี้ให้พวกเราศึกษาแล้วพวกเราต้องใช้ปัญญาต้องรู้จักแยกแยะแล้วกว็เราจะดูได้อย่างไรว่าองค์ไหนเป็นยังไงแต่ตามไม่จริงในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าท่านก็บอกว่าให้ทําบุญไปเถอะผิดบ้างถูกบ้างได้บ้างเสียบ้างให้ทําบุญทาไป เลือกเอาทิศอย่างถูกใจซะก่อน เ, อเราจะค่อยทําก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันถ้าว่าเราเห็นแล้วเออทำบุญทําทานไปแต่ถ้าเรามั่นใจเราจะค่อยทุ่มลงไปในจุดนั้นถ้าว่าเราไม่มั่นใจเราก็ทําบุญทําทานไปเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยบางทีถท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็บเป็นบุญเป็นกุศลของเราอีกเหมือนกันเพราะฉนั้นในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าทวมา สมัยครั้งต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยพระหมดขนาดผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัดผ้าเหลืองเนี่ยห้อยอยู่ในหูเนี่ย้อยอยู่ในหูเนี่ยเป็นเครื่องหมายของพระทำบุญก็ยังได้บุญอยู่นะนะท่านวาาอย่างนั้นนะใค้เข้าว่าผู้ที่ทำตนอย่างไี้เข้าว่าข้าพเจ้าเป็นพระนะแต่ว่าผ้าเหลืองนี่หมดแล้วมีแต่ผ้าเหลืองผ้าน้อยๆห้อยบนหู อันนี้คือเป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์นะั่นคือพระนะถ้ามีผ้าเหลืองห้อยหูอย่างนี้คนในยุคนั้นสมัยนั้นต่อไปภายภาคหน้าเขาทำบุญกับพระสงฆ์เช่นนั้นก็ยังได้บุญได้กุศลอยู่เพราะล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตใจเพราะนั้นการทำบุญถ้าเราไม่ได้คิดไม่ได้อ่านหรือไม่ได้ศึกษา ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็บางทีก็ไปหน้าเดียวเกินไปไปหน้าเดียวมันไม่ได้คิดให้รอบครอบรอบด้านเพราะฉะนั้นเรื่องการทําบุญแลว้วก็เรื่องการทําจิตใจทีนี่ยเรื่องตัวนี้น่ะเป็นเป็นเรื่องของตัวแท้ๆทีนี่เรื่องทําสมาธิเนี่ยอันนั้นเรื่องการทําบุญทําทานอันนั้นมันยังกระจัดกระจายแต่เมื่อเรา รู้จักหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้ภาวนาอันนี้แหละเป็นเรื่องประมวลเรว่าตะล่อมเอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาสู่จิตใจตัวนี้เป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ในหลักของพระพุทธศาสนาแต่พวกเราทํายากมากตัวนี้มันยังไงเป็นยังไงก็ไม่รู้ให้ทานเป็นการเสียสละเนี่ยทำง่ายกว่ารักษาศีลเนี่ก็พอทํานอง พอวัดพ่อเวียงก็ยากขึ้นมาแล้วแต่พอนั่งภาวนาเท่านี้นะเออตัวนี้มันยากมากมันสู้กับจิตใจของแต่ละคนคล้ายๆว่าบังคับใจของตัวเองไม่ให้คิดออกนอกรูกนอกทางให้จิตใจอยู่ในความสงบให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกตัวนี้ทำยากมากแต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่มหาศาล ให้ทานร้อยครั้งก็สู้รักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งสู้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบครั้งหนึ่งไม่ได้จิตใจให้สงบเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําง่ายไม่ได้เสียสละอะไรไมีแต่นั่งแล้วก็ดูใจของตนเองแล้วก็บรรยายพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทําใจให้สงบทำ ใ, ใจให้นิ่งทําใจให้เบิกบานเพราะจิตใจสงบเนื่งลงไปแลยกิเลสออกไป นอกรัวมีแต่ใจเป็นเอกเทศใจเป็นอิสระนะใจนิ่งเนะนี่ยแหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกล่วงหน้าไปเลยว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าจิตใจสงบไม่มีเพราะท่านขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านสหายญาติโยมนะเรื่องภายนอกเราก็ทำแต่เรื่องภาวนานอย่าลดละทดลองพยายามพยายามดูใจของตนเอง พยายามทำจิตใจให้สงบถ้าจิตใจสงบจิตใจเป็นหลักและจิตใจมีหลักมีฐานแล้วเราไปอยู่น่าจะานที่ใดรมเย็นเป็นสุขไปหมดเมื่อเท่าแก่ชราจิตใจของเรามีหลักยึดเมื่ออายุมากขึ้นมาก็ไม่ว้าเวอ้างวางเงียบเหงาเศร้า ซ, มซึมซึมเศร้านิสัยซึมเศร้าจะไม่มีนี่จะเบิกบานอยู่ตลอดจะไปซึมเศร้าเพราะอะไรเราเกิดมาเราเกิดมาคนเดียว เราตายคนเดียวบุญกุศลที่เราสร้างมันอยู่กับใจของเราใจของเรานอกจากบุญกับบาปเท่านั้นแหะถ้าเราทําบาปบาปก็พาเราไปถ้าเราทําบุญบุญก็พาจิตใจเราไปเราจะไปเศร้าหมองจะไปเสีย อ, อกเสียใจทําไมจิตใจของเรามีหลักมันจะมันจะเชื่อมั่นในตนเองนะมันจะมีความสุขเลึกๆแหความที่ว่านิสัยซืมเศร้าคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ลูกคนนั้นล้านคนนี้ ทรัพย์สมบัติตรงนั้นตรงนี้มันจะไม่มีจะไปคิดไปทําใหม่ขนาดร่างกายตัวเองก็ยังเขาจะไปเผาไฟทิ้งอยู่แล้วของอย่างอื่นไม่ต้องคิดคิดถึงแต่คุณงามความดีนั่นแหะถ้าคิดได้อย่างนี้ปฏิบัติได้อย่างนี้พวกเราอยู่ในสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขไปหมดเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะฝึกหัดนะฝึกหัดเรื่องภาวนาอย่าลดละก่อนหลับก่อนนอนอย่างน้อยก็นั่งภาวนาสักห้านาทีสิบนาที หรือครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงจะดีมากแต่ละวัน24โชั่วโมงนะเรานั่งภาวนาสักหนึ่งชั่วโมงได้ไหมถ้าทำได้อย่างนั้นดีมากนะคณะจตทายาโยมลูกหลานทุกคนเอาตอนน่อในไปพระสงฆ์จ้าอนุโมทนาให้พร